าการต่อไปเ ร, รื่องของการประกอกับการปฏิบัติธรรมเยินเชียงที่เราได้ทำเชียงที่เราได้ทำจนสิ่งที่เราได้กินมาเรียกว่าประกอบกันเข้า สิ่งที่เราทำนี้ก็สัมปัสได้เช่นการมิสติอย่างนี้เวลามันหลงรู้สัมปัสได้อย่างนี้อยากเป็นคำพูดเกิดป่าทิศของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรโรงแสงไม่ได้อีกต่อไป มันหมายถึงเราเชื่อความชื่นไปให้ตัณหาคือถึงพระนิพนพานอะไรนี้แต่ว่าแต่ป่าเป็นของจ ร, ริงนะถ้าลองมาเชื่อวการตัดชั้นหงพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาพเพียนี้เราไม่ทุนอยู่แล้ว ความเชื่อว่าการสรัทธาของผู้เจ้ามีอยู่จริงรักธรมจริงธรรมให้เกิดเป็นผู้เดเจ้ามีอยู่จริงรกล้าปฏิบัติที่ถูกต้องถ้เราเกิดเป็นพระสงผู้ลู่ตามพระเจ้าเที่ยวพระสงฆ์มีอยู่จริง เราเชื่อ น, นี่มีทุนอยู่ทุกคนก็มีทุนอยู่นี่บางชีวิตก็มีัะตาออกปวดเป็นธาตุเป็นสงเป็นแม่ทีเป็นพิกษุนีไม่ใช่มีในยุคนี้สมัยนี้มีมานานแล้วต้องเจอ ปัญจวัชรีเป็นผู้ที่บวชก่อนหมู่งนอกจากปัญจวัชรีแล้วยาสากรบุตรและสาขายของยาสากรบุตรอีกสี่ถชีวิตเป็นการเริ่มต้นในการบวชกันมาแล้วมีพิจุนีนางมหาปชาบรีโคตรนีใช่ไหม เห็นเกิดพิจิเนกันได้มีมาแล้วเดี๋ยวตอนเห็นทุโขทุโทุกวันี้บอรุกรบาิกามีมาแล้วพนางาพิณิกาเสถียรพนาวิสาถามมหามาชิกามีมาแล้วใม่ฉัทา ต า, ตามพระพุทธเจ้าสอนพ้นทุกค์้นจกมากันมาจนได้ว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งสัาพัสหรอขีอะไรปุ่งแ่งไะ่ไดยึดต่อไปมันถึงพระา槃พระ涅槃นี่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นนองตัวเรา คนบราณต่อถึงมนิพพานมากที่สุดแม้แต่จับก็เรียกว่านิพพานแล้วติดช้างช้างนิพพานแล้วปวดพย์แล้วติกมา่าหม่านิพพานแล้วมหม่าปวดพย์แล้วข้าวมอนร้นปุ้งลอให้ลูกกินข้าวนิพพานแล้วกินได้แล้วแกงนิพพานแล้วกินได้แล้วอะไรมันลน้อน มันก็แช่ไม่ได้จรินไม่ได้สับม้าพยศมันใช่ไม่ได้จ้างพยศมันใช่ไม่ได้ชีวิตของเราถ้ามันพยศมันก็ใช่ไม่ได้นี่ตัวแลวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้นี่ใจก็พึ่งใจไม่ได้นี่กายก็พึ่งกายไม่ได้ผมไม่ได้สั่งได้สอนไม่อบรม เราจึงมาอบรมกัน <c oughs> เชื่อมั่นในธรรมวินยัยมีอยู่เพียงธรรมวินยัยวิคือวิเศษนยตะคือนําไปสู่ความวิเศษเมื่อเราทําอย่างนี้เราจะรู้อยู่นี้เวละใดบรรลงเราจะรู้อยู่นี้ทําได้กับมือของเรา มีหมายมันหลงถ้าหลงเปลี่ยนเป็นลูกเดี๋ยวให้มันตีไปเาไปอาประโยชน์จากมันเดี๋ยวให้หลงเป็นหลงเดี๋ยวให้ทุกเป็นทุกทุกเราลู่แล้วทุกเราละแล้ว ไ ด, ได้แน้วชโนกหนโึ่งลงดูเหมือนผ้าที่มันจบปรกสักแล้วแต่ยังไม่จะาดแช่น้ะสักผ้าแล้วก็มีกรรมวิธีมันก็จะสาดง่มากผล บาทีเป็นนิสัมักหนุ่มโมหะจะิลุดหลงโษสัจจะลิดโกรธนาคาจะลิดบุ้งแตงไม่หยุดไม่ยอมให้มีคุถทจะหลิดู้ตื่นเบิกบานจากเสี่ยนนี้ขึ้นมาตรงกรรข้า หลงปึงไมโหลงรู้จึงทำเป็นถ้าไม่หัดทําไม่เป็นมันเป็นติดได้นเป็นนิสัยได้ถ้าไม่หัดถ้าก็เป็นนิสัยแบบพระพุทธเจาา้าห้งเป็นตีนิสสย์ยำยาจอมโหดิสยแบบพระพุทธเจ้า การมาเป็นนิสัยแบบปุถุชนหลงเป็นหลงเป็นนิสัยแบบกันเป็นปุถุชนเป็นคนโปลเปยไม่คัดเลือกไม่กบรงไม่สั่งสอนตนเองหลงเป็นหลงไปสู่ลรกเท่ากับขนโข ถ้าหลงเป็นลูกไปสู่นรกเท่ากับเขาโขเท่านั้นเลยนิดหน่อยถ้าโกเป็นโกดไปสู่ลูกเท่ากับโขดขนโขมากถ้าโกดเป็นไม่โกดไปสู่ลูกเท่ากับเขาโข น, น, นิดหน่อยอ ย, อยู่ที่ตัวไครตัวมังจริงหรอเ น, นี่ ไม่ใช่ลึกหลักมันลึกซึ้งคำสอนเป็นลึกซึ้งหรือม่ใช่ลึกหลักได้ทัำทีจริงใดที่ไม่รู้ไม่ใช่คําสอนทําไม่ได้ไม่ใช่คําสอ น, ไไสอนจริงใดที่ทําได้จะพูดทําได้แล้วก็พูดที่ทําได้ไม่ใช่ทําคําสอนของพระเจ้าทําได้ทุกคน เห็นเรามือวางไว้บรรเขารู้สึกตัวรู้ได้ทุกคนต่แคงรู้สึกตัวรู้ได้ทุกคนไม่มีใครไม่รู้ถ้าแต่คนไม่ใบบ้าเสียจริตแต่ถ้าคนใบคนบ้าเขาเป็นแบบนี้ง มันไม่ใช่เหมือนเราพวกเราที่ไม่ใช่คนบ้ามันคุ้มไร้คุ้มดีคนบ้าเราไม่ใช่คุ้มไร้คุ้นดีบ้าตลอดเจียนน้าในคอในตลาดสดมันก็ไม่เป็นอะไรนอนต่อดงก็ไม่เป็นอะไรมันเลือกบ้าดูอากัศก็ไม่เป็นอะไร มาบ้าก็คือไม่เป็นบ้าสมัยกมอนเห็น็นบ้าหรือเจ้าข้อเลยไปกอบกินนั่งของ <c oughs> ที่มันไหลออกไปตลาดดำดำมันก็ยังไม่บ้าเลยอ้วนเท่ากระสอบเลยแต่เราไปกินดูสิต้องไปหาต้องหาหมอโรงพยาบานทั้งที มันเราเรียกถ้าเราไม่สอนลองไปนรกนะมันมีนรกปีเต็ไสุรการไม่สับเรศชานมูจนโกมูจนพุ ปวดบึ้งเนี không, ่ยเอาให้ไหูวดเลยบางทีก็โชว์บอว่านี่แบบกูมึงไม่รู้จะกูหรือกูโกรธเนี่ยแบบนั้นงูแม่เกตอนนี้จริงจริงมันะเห็นซึ้งจเาเห็นคลงนยงเลย ทำได้แล้วทำแล้วทำไดแล้วนักคนตาดีเดินไปเจองูเห็นงูแ่ไม่เบี้ยอออกแรกสเ้าเก้าเ้าหแล้วไกแล้วกลจกันตแล้วเห็นความหล ก้อยชาพมูงแล้วอยู่คนละหมุดพกคนเรปอเหมือนน้ำในสวัดเราหนะึ่งฟองสลาหน้าฟองหนึ่งัมนะอาไรญยาวาสีฟังสลาหนะ้าคอกมมาสีเขตดบา้านฟองในป่านี่ว่าฟองอรยยวาสีเขตป่าอยู่คนเป มองก็รู้สึกสมภัยก็รู้ว่ใครก็รับฟังแล้วทุกอยู่ฟังนึ่งไม่ทุกอยู่ฟังหนึ่งชีวิตต้องเป็นอย่างนี้โกรอยู่ฟังนึ่งไม่โกรธอยู่ฟังหนึ่งให้น้าขุ่เกลยดอย่างนี้ไเรียกว่ า, วาข้ามร่วงบางทีพู้เจ้ า, าสอนได้ไม่โอ้ค่ะชีวิตอยู่ในห้อง ห้องแหอคาโอคาเก้องน้ำพระจ้ายือนอยู่ฝั่งน้นขวบมือเรียกพวกเราปู่ตัชนดีดรยน้ำอยู่ในโอคาห้องน้ำขึ้นมาขึ้นมาอย่ามุดอยู่บางก็สนุกดังมุด ลงไปแบกไห ว, วงลงไปมุดเจยจะขาดโผลขึ้นมาไปเจ้าเอยู่บนฟางโบกมือขึ้นมาขึ้นมาบางคนก็เห็นหนเออแบขึ้นไปไหวขึ้นไปงานเพียงเขา่างานเพียงเองงานเพียงหน้าอก ต่ากันนะขึ้นสองด้นไม่ต้องแบกต้องรอดหลงไม่เคยหลงไม่มีกวดไม่มีทุกข์ไม่มีต่างกับก่อนที่มันเคยหลงเคยปวดเคยทุกข์เคยเจ็บปวดเสียหัวเสียใจ มันอยู่ในฝังไม่มีอีกเราเชื่อมั่นอย่างนี้เชื่อทำไม่ไหนทำได้อย่างนี้ให้เราได้พึกขับตรงนี้กันวิธีหักก็วิชากรรมฐานกรรมฐานเกิดขึ้นในเดนเต็นเดือนหกตอนพุทธศพสี่พัาหร้าและองค์ เป็นสัมันธ์ชนทัจากการทหลยแบบมาลงที่ต้นโผู้เชเข้ารู้สึกเหยออกรู้สึกูเชเข้ารู้สึกเหยื่อเชิญอรู้สึกาทีอจะายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึก เวลาที stream, Tim, octopus, ่มันลูอยู่มันจะเห็นมันหลงหลงอะไรมากมายจากเงียตุนจากสงพอจนอยยี่สิบเก้าาสามสิบยี่สาสามสิบสามเด็ดสามสองสามสาสีจาก ทรงประวดีก้าทฏิบัติหลงคิดทางอู่6ปีเป็นเท่าไหร่นะป่าวจังได้มาทำอย่างนี้เอาหลงมาแเป็นเหตุเคยทำแบบไห น, นมาบบบนี้มาเอาแบบนี้ดูเอาหลงไป หายยากกลับมาภาหมายคองมลงปตมมากกว่าพวกเรานี่เพวกเรานี่ไม่มีประสาทสามฤดูมีไหมพี่สี่ท่านทรมีประสาทสามฤดูนะนี่สนมกำนันในมีทรัพสินเป็นค่ะ มีจกกักรพรรดิพระเจ้าจากกักรพรรดิที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินอินเดียทงไมจึงนั่งอยู่ใตาต้นโพเหตุผลอะไรมาเกิดขึ้นถ้าเป็ุผลเนาะไปอยู่ประสาทดีกว่าจะมาอยู่ยนะต้นโพเนี่ยนะเหอนบอเยอะๆอ๋อ คิดได้ไม่ใช่มาคิดมาค้ถอดจากความคิดนำมาประกอบมาตะเกยบหัวแรู้จุตัวนี้มาคิดไปรู้ตัวเาความคิดก็าหมดไปแล้วเรามันคิดไปทำไมามารู้ดตัวได้เปลี่ยนอยู่ตรงนี้อะไรที่มันเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่สติ ยานเป็นสติคือรู้สึกตัวทั้งหมดสติเป็นตัวชัโหลยทั้งหมดเรื่องของกายของใจลองดูสิเราเหตุเผลทั้งทั้งหลายมีสมองมีปัญญามีสมองมีปัญญามีวิชาความรู้ เนไดเป็นหมอเป็นแพทา์มากอันนั้นเป็นความรู้ปัญญาวิชาชีพแต่ชีวิตจริงๆไม่ใช่เกิดแบบนั้นชีวิตจริงๆมันไม่เป็นอละยรร่ำหลงมาใช่ชีวิตไม่ใช่วิชาชีพคร่ำโกรธไม่ใช่วิชาชีพให้เป็นชีวิตถ้าร่ำไม่โกรธเป็นชีวิต วิชาชีวิตไม่ใช่ความรู้แบบนั้นเวลามันหลงรู้ไม่หลงเวลามันโกรธรู้ไม่โกรธเวลามันทุกข์รู้ไม่ทุกข์นี่คือชีวิตตั้งต้นที่นี่เราได้สาวทาี่ใหญ่เขาสูกมาเกี่ยงผคนนังเจตการสาชิวัสมะป น, นา เตงพุมด้วยจิตกล้าในทังเป็นคดีวิวิตของคิกสู่ท้องโลกจิตกล้าในจเป็น่อดเื่ีวิตชีวิตเรามีสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นรูปนกส่วนหนึ่งเป็นนามะทำบินยหาะนัทาแม้จะมีชีวิตเงินเท่าไหาร่ก็ยังโกรธังทุอยู่ ยังเกิดังเกี่ยวังเกวไต่อยังเกิดัทุกข์ควบเกี่ยวยังทุกข์คเกี่ยวยังทุกควบต่อก็เห็นความเกิดความเกี่ยความเกี่ยวความตายตอมควาเป็นจริงเอาจริงเหนั้นมาเป็นตัวเป็นตูเราจะมาจิกขาในสาตเป็นเรื่องชีวิตจิกขาคือจลุงย่อย โยยออกให้เป็นดุ้นเป็นค้อนมันหลงมเป็นดุ้นโยยให้มันเป็นสวมรูปไม่ประโยชน์มันทุกโยยมันโกรธโยยอะไรที่มันเป็นดุ้นเป็นค้อนเป็นตัวเป็นตนก็กรจอกก็กระจอกกาอที่มันเกิดกักกาอที่เรามีสติเห็นกาออยู่เป็นประจอกอะไรที่มันเกดกจบกก่อเยอะแยะ ความรอนความหนาวครามเจ็บความปวดมดมองไม่เห็นกลับกังเจ็บนะเวลามกลับยังเจ็บตัวเล็กๆไม่เห็น เ, เล ย, เเลยมีอาการต่งตางๆผ ห, ห, ห, หาลายหยาบบางทีก็จะโขให้่มดตัวเล็กๆ บางทีอจะโขดให้หลักให้โตเดินไปชน่อโขดให้อตบางทีพอโขดให้ตกตต็มีเพนโตถ้าโตมันพูดเป็นโอ้ยข้าพระเจ้าก็อ่นี้มานานแล้วจนอย่างลากลึกลงไปเป็นเมตรสองเมตรท่านไม่เห็นท่านมาชนเราเอง หาเรื่องอะไรที่จะมันโกรธได้ทุกอย่าคิดขึ้นมาเองก็โกรโกรธให้โกรโกรทุกความคิดเจ็บปวดทุกคนคิดก็มีจะปล่อยที่ไม่ตองานชีวิตของเรายู่ตรองหมายกันมม่แล้วเสียเปลี่ยนความโกรธเขาเสียเปลี่ยบความทุกเ์เสอเปลี่ยนความห เราเกิดเจริญใจในสิ่งเหล่านี้มากต่างเป็นพวกเป็นชาติเป็นพวกในความทุกข์จนกืนข้าวมาเราจะ น, นอนไม่หลอบควมไม่ทุกข์ก็มีเจอตายจากความไม่ทุกข์ตายจากชีวิตที่ไม่เป็นอะไรตายจากสิ่งจากทํามทิ้งสิ่งที่ดไป เอาอันอื่นต่อไปหรับถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราคีมลองดูทันทีตรงกันข้ามเวลาอะไรมาเกิดขึ้นขาะที่เราฝึกอยู่นี่มันเกิดเลยขึ้นมาที่ไม่ใช่สตินั่นแหละให้ถ้ามันแยกทายกหน่อนมันจะได้นิสัยมันก็ อาจจาะทวงกระเสียแต่หัดม่ๆนลพอหัดไปดไปทำใหมก็จง่ายง่ายที่จะโกรธว่ทาทไปทาไปขง่ายที่จะไม่โกรง่ายที่จะไม่หลงโดยเพรความหลงอนอกห้า อ, อกตาเราจะรู้สิรูมันตอรู้ไม่มากนันห ล, ลงมา ก, กาตัวรู้ทำใหม่ใหม่ หลงไปทางความคิดหลงไปทางกายหลงไปทางตาหูเราหันไปหานไปจะง่าที่จะไม่หลงง่ายจะไม่หลงพอไม่หลงก็ปล่อยใจอะไรก็ทะลุทะลวงได้ ให้มันค่อยๆให้มันอยเป็นเรื่องยาวเรื่องก่อยนี่แร้วว่าฉิบขาและทำเป็นเครือเรื่องชีวิตชีวิตมันไม่เป็นอะไรที่มันเป็นอะไรกันชั่วชีวิตปงมันแต่มันเป็นส ม, มุทัเป็นสังขาวให้ ดูแลกาใจของตนเองที่มันจะพุ่งอะไรขึ้นมาให้รู้ดังเชิงกลมรูปของคนโบราณเก่าแต่มักจะผลรัศมากาใจมีสติดูกายดูใจเอื้น้องเจ้ามาเจ้ผล อือหเจ้ามักเจ้าผลพัฒนากาพัฒนาตนทั้งกายทั้งใจพัฒนามีใจเป็นสุตทุป ก, กรณ์พัฒนากายใจเป็นมรรคผลนิพพานเ อ, อ่ยนีเป็นโก่งลูกวิถีนิพพานโก่งลูกก็เป็นนิพพาน ให้เรามองตรงกันข้ามอย่างนี้พระ่ากายใจเป็นมรรคผลนิพพานกายไม่มีพิษไม่พายใจไม่มีพิษไม่พยอาศัยกายก็ใช่ทำความดีอาศัยกายเราความชั่วทำความดีแต่ก่อนมันทำอย่างนี้แบบนี้มานทำอย่างนี้ เราแต่นี้ไม่เป็นทำหนง่ายใจดีง่ายใจชั่วยากทำดีได้ง่ายทำชั่วยากทำทัด ถ, ถ, ถ้าไม่หัดทำดีได้ยากทำชั่วยากไม่ไหวง่า ย, า ย, ายนะมันหัดได้ ปตรงนี้คืวิตของมนุษย์เป็นสัตวประเสริฐเขาหักหักแล้วเป็นแล้วไม่มีต้องไม่มีที่ต้องหักอีกมันจบเป็นกายใจนี่มันจบเป็นไม่ใช่หักแบบวิทยาศาติรูปแบบวิทยาศาสตร์รูปแบบธรรมช า, บบม า, ชาติอาการวัตถุ ส ม, มุติปัญญัติวัตถุอาคารลูปแบบนี้เห็นลูกเห็นนามเห็นลูกทุกเห็นนามทุกเห็นลูกธรรมเห็นนามธรรมเห็นวัตถุเห็นอาการเห็นลมัดเห็นส ม, มุติเห็นปัญญัติรูกบุรุษป่าลูกสาวชนา รู้พุทธะศาสนารู้ศีลรู้สมาธิรู้ปัญญาแนืวว้อความชั่ว ท, าทวํากตดีผิวปากไม่คิดไม่ทําไม่พูดร่าความชั่วไม่พูดไม่คิดไม่ทำความชั่วไม่พูดไม่คิดไม่ทํา หมดแ่หม อ, อ, อ, อตอดัดมาพูดเถีย t ่เสียงเสียไม่ได้ทำชั่วไม่ได้พูดชั่วมันจะเ็นวุ่นหลชั่วไม่พูดเมื่อไม่พูดตนชั่วกายก็ไม่ทำความชั่วจะเป็นวุ่นหลคิดใจก็มคิด เป็นถมเชื่อมันจะเป็นลักมันรวมเข้ามามันรวมเข้ามามันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ทําชื่อมต่างกาไม่ทําชื่อมต่างหัวใไม่ทำเช่วมตัางใจมันก็มีทันมีเข้าขาเอาเพี่อมาขาเชื่อมเข้าเข้ามาต่อกันดิมันก็เป็นรูปเชื่อ เมื่อจะใช้งานมาันไม่ใช่จะให้มันเป็นถูกหรือกายนี่มันก็เป็นช่วยถูกให้จะให้เป็นทุกข์หรือกายนีไม่ไปทุกข์ห้อะไรก็มันก็ใช่มม่สำเร็จหรือให้ถูกไปทุกข์ใช่ไม่เปลี่ยนมันไม่เป็น่ารายเมื่อเปลี่ยนไรทุกหมดเข้าสู่ธรรมชาติมีธรรมชาติมีธรรมชาติทตรงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ละบายตามตัวเป็นจริง นี่ละจบเป็นรูปนามมันจบเป็ น, ป น, ว, น, ปนวิทยาศาสตร์มันจบมันเป็นศึกษาธรรมะต้องศึกษาแบบนี้ตอบได้อย่างนี้พกเป็นอย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้ทังได้อย่างนี้ไม่แค่ไปตอบเรื่องอื่นก็อื่นให้ทางวิทยาศาสตร์เ็ตอบมีผู้ตอบอยู่แล้วเกีงกว่าที่จะมา ตอบให้เขาฟังเรวิชาศาสตอ์ถ้าตอบก็ตอบเรื่องกายเรื่องใจนี่ว่าคนหลงมันจริงกมไม่หลงมันจริงกั่วความโกรธมันจริงก็ไม่โกรธมันจริงขั้วร้อนเผชิญความทุกข์มันจริงก็ไม่ทุกข์มันจริงกั้วจริงไดที่มันกิเป็นทุกข์ที่เกิดบกิดก็ใจตอบกด้ทั้งหมดไม่มาเป็นทุกข์ เหนือสุขเหนือทุกมีแต่สติแล้วแรลอยู่พระนิพพานมันเกิดตรนี้มีสติแล้วแหละอยู่เหนือสุขเหนือทุกมีสติแล้วแหละอยู่ชีวิตมันจบรงตรงนี้แผ่นดินสุดตรงนี้แลแ้วก็แจกของสวดลเกียเรเยื่องคนทั้งโลกทามันปั่นนั่งละอย่างเป็นอ่างแต่ สิ่งที่เราคนที่เราเลีเยงมาทั้งโลกค น, นที่จะช่วยคนทั้งโลกช่วยทุกสภาระสิ่งมัน ไ, ไม่เป็นอะไรมันจบอย่าง น, นี้ชีวิตเรามันเรียนจบกันนี้ลูกทำนอนทำเหมือนกันหมดรบหลงก็เหมือนกันหมดความโกรเหมือนกันหมดความทุกข์เหมือนกันหมด ก็มไม่หลงเหมือนกันหมดามไม่โกรธเหมือนกันหมดควา ม, ม่ทุกข์เหมือนกันหมดเป็นสาวคนมีสติเหมือนกันหมดนั่งอยู่นี่แ้่มีสติก็เหมือนกันหมดเปน็นเดียวกันหมดแต่ความหลงต่างกันไปคนละคนไปเป็นอัศจรรย์อยางนี้ธรรมะาเป็นเรื่องอัศจรรย์ เราเงียสติเป็นคนคนเดียวกันไม่ใช่เป็นหมุ่งไม่ใช่เป็นคนเฉลคนเท่าไม่ใช่เป็นหญิงเป็นชายไม่ใช่เป็นคนยุโันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เป็นคนญี่ปุน่นเป็นคนคือมีสติอันเดียวกันอยู่กับคนยนโรปมีสกิอยู่คนไทยคนจีนมีสติ เนเจะกันเราสอคนสากคนแห่งธรรมเราจะทำอะไรปะสิทธธเท้าคนพบได้แล้วเรามีสติเหมือนกันจะเป็นยังไรเหมือนกันทุกคนในโลกตะเป็นยังไงมีสติบางคนล้คมชั่วมีสติก็ทาคนดีมีสติกิตมันก็บริสุทธิ์ มีสติานี้ถ้าเป็นงนีไม่ต้องมีพุกมีตลาดโหไม่ทำช่วไม่คูช่วิชั่ว ย, ยแล้วมีแต่จะช่วยกันจะว่าจะงมีเมตตา อ, อกนาออกต า, ามพอมพอมีหมดความโกรธความโลภ ค, ความทุกข์รกมีเมตตา อ, อกนาคเต็มแต่กนจะนอกแต่พี่จะน้องสู้หลา น่นอเต่นี้มันรักคนทั้งโลกแต่ว่าจะงานเป็นคนคนเดียวกันเม้ออกกันเดียวกันก็เจอจะตายหมอนกันจช่วยกันม่นเห็นคนหลงเนี่ยเจ้าจะช่วยคนที่หลงแล้วเคยหลงมือกัน เทุกข์กาไวนไม่ด้วยวิธีใดก็ด้วยวิธีหน่งเห็นคนโกรกก็อยากไปช่วยกรตามธดวิธีหนึ่งนะครับเอคนที่โกรกคนที่ กวามเมื่อโกรธควมทุกข์เขามีอยู่แต่เขาไม่ไม่ประกอบให้มันเกิดขึ้นมาให้ความโกรธความทุกข์โค้งหมองถ้าเขาประกอบขึ้นมาก็เกิดไปได้เตียนได้ตื่นได้อาจจะมีมรรคผลนิานเรานั้นได้เหมือน Lại, bụi, à, lưu, lưu. Nên, kèo, à, à khác hẳn so một loại g i ố h ư p h n m h ô h à c i thẳng mà chờ h í h ì n thế n à n h k n lúc g mấy vẫn e c h ấ y trên đó có tiền à อาจากนี้ก็เหงก็มองทั้งท่าต oh. ื่นตัเป็นทหารทะอูไลเลยเนี่ยนักพันดาบเลยเนี่ยนี่ดาบบ้าด้วยเหรอโอ้งูรือเนี่ยถือว่าเป็นชีวิทีฉลาดทําไมงูเลยเป็นครฝันดาบเนใครจะทำลายหรือฆ่า นกเหมือนคลิปโผล่ขึ้นมาพอโผล่ขึ้นาอาจารย์ก็นั่งหัวตาออกมอาจารย์นี่คนหะอาจารย์นี่คก็อยโอ้ยโ อ, ยโอยประตูนรกเปดแล้วประตูนรกปดแล้วหยยะยหตเขาห โอ้ดาวก็บอกประตูสวรรค์เปิดนะประตูสวรรค์เปิดแลวนี่โกหกนั่ปฝันดากากมงยืนยอนตัวเต็มที่ความพอใจรู้นรกรู้สวรรค์แล้วนนมันเกิดอะไรมันเกิดอยู่ที่อารมณ์สวรรค์เคยใจดีดี งานเราเคยเจอหลานี่พานที่เจอจริงจริเอาอย่างนี้เวยก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็ได้ฮี่โกยินเหมือนกันนะเนี่ยก็สมเชงเชงลตานี่นะนน ย, ยนนะสอนยังไงฮี่โกยินน่สอนเป็นะสนักอยู่่นี้อ่างวดสุโขทเนี่ยแต่มีห น, น้าสนะองหน้าอยู่หน้าวัดเนี่ย ลัอนหนึ่งมีลูกสาวร่่นหนึ่งมีลูกชายแต่พ่อแม่ทะละกันขัดแย้งกันทัืงค้าตายเจ่ลูกสาวลูกชายชอบกันมันอยู่ใกล้กันเกิดมีเสียกัรเกิดตั้งขันขึ้นมาพอตั้งขันขึ้นมาแม่ก็ถามว่มามันใครเป็นพ่อเด็กกครเป็นพ่อของเด็กในขันของเธอเนี่ย เขาจะบอกว่าลูกชายร้านนี้ก็ควรแม่จะฆ้าพอ่พอพราแม่กับพอ่อทะเลาะกันอยู่แล้วก็เลยบอกว่าอาจารย์อยู่วัดเป็นพ่อคุณเดียวฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าพ่อแม่ก็มีศรัลุพาชาวบ้านมาดา่าอ๋อไอหมาทำไมลูกศาัล ไปข้างไปข้างเขานว่าเป็นพระที่ดีอาจารย์ใะเ็นตอบังแต่ว่าอย่างนั้นหรือโยมเขาด่าเท่าไหร่เขา่าอย่างนั้นหรือโยมตอบคงอยู่อดีกับแต่ว่าจะเชื่อเขานบาบางคนเขาอวนเชื่อแต่บ้านบางคนก็อต่๋าวช่วยกันใครด่าที่ไหนเขาว่าอย่างนั้นหรือโยม ต่อคนเดียวนานไปนานไปหญิงสาวคนนัน้นจะยิ้มข่าขคนกระดาจากที่วัดทั้งทั้งที่ไม่ใช่พวกเด็กพวกเด็กคือลูกสาวขา้าพวกชายข้างบ้านนี้อดไมดนตัระดาษเลยบอกแม่ละแม่ผัวผมเด็กนี่นันไม่ใช่้าดอกาาหนูขอโทษขออภัยหนูควรจะทา พ่อของเด็กนี่คือลูกชายข้างบ้านนี่มันเช่ออาจารย์อยู่วัดตรงนีขอโทษหนู่จบไปกราบท่านเอาดอกไม้ไปบูชาไปขอรูขอไปจัก ท, ท่านแม่ตกใจโอตายแล้วด่าอาจารย์จนแหลกบนชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้อแม่ก็พาลูกสาวมาขอโทษขอไปแล้วอาจารย์นั้นอลูกสาวมันบอก 高发人家没有，他们哈哈哈哈哈。呃 <mother inteiro> ，高发人家没有，那可能说在高发这个，高发人家没有。对呀。没话在对呀，没话没说的，哈哈哈哈哈。没话没，高龄差，没话没，高枕在，没话没。 มันเป็นน <Tr> ี่บุญบอกมันเป็นเป็นได้นะใจนะเป็นเป็นได้จริงฉลองหัดนะนี่เราจะอยู่ด้วยกันกับลูกก็ต้องหัดตรงนี้ไว้ถ้าไม่หาดตั้งแต่ภูปู่เที่ยงแบบนี้นะเพราะไเราหลงเป็นไงไปเราโคตเป็นไงไปเราทุกข์เป็นไงไปเราเราล้นเป็นงไปเราเราหนักเป็นไะมันยากมันง่ายมันผิดมันถูก ยิ่งเราเป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะผู้รับะผู้ลูกน้องคนมันจะมีนะบางคนมาบ่นให้เราตามความว่าลูกน้องอู่งานทำ ง, งานไม่สร็จไล่ออกพอไล้ออกมาชี้เฉียดใจเป็นทุกข์เหนกันนะชี้เฉียดใจที่ดู ด, ด่านะคนอื่นเราเฉียดใจไม่รู้จะมา เป็นท no, so, ุกขกันลูกนอที่นา้านายหัวหน้าดาก็เป็นทุกข์เมือกันน้องตาคนตมีทุกขเหนกันหมดนีนะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ป็นกระากรบวาสันก็ไม่ถ้ามนมีตัวนี้ดีๆถ้ามีตัวนี้ดีละโอให้อภัยกันง่ายๆไม่เป็นด่าไม่เป็นด่าไม่เป็นด่า ชื่อทีดีจะทำงามัต่อบาทีตัวเองด่อตัวเออนเชื่อคนดีพูดดีได้สติได้ปัญญาทำงานก็จะมีความสุขไมนมีที่ไหนที่ไม่ผิดพลาดไก็มีที่ไหนที่ไม่ยากง่ายทุกคนก็ถ้าทำงาวันก็ผิดพลาดถ้ากันไม่เคยทำงานหรือว่ามันมีคนผิดพลาด เราก็ได้บทเรียนเรื่อยก่อที่าระบวนกันมันติดาพาดประมหลงโผหลงทำไมเราไม่หลงความทุกข์ทำไมเราไม่ทุกข์ความโกรธทำไมเราไม่โกรธมันจะเกิงกัอย่างนี้นะเกิได้เมืมาาม่อจตางหรือสูญสูญไปที่ต่างในะชีวิตอะ ม, ม่อะ ไ, ได้สูลุกูไม่มีค่าหื่นไม่มีค่าเลย ความปวความโล่งความหลงความรูความสุขความรักความจำความพอใจไม่พอใจลบศูนย์ชีวิตที่เหลือศูนย์เมื่อชีวิตเหลือศูนย์ก็ตั้งต้นได้ยัยที่ไหก็ตั้งต้นได้ใจม้าจะถ่าต่อมันเหมือนเราไปช่างเราชาช่างทนไม่อยู่ในตั้งศูนย์มัก็จะมาได้แม้ชีวิตเราต้องอยู่บนศูนย์นี่เพืได้ 嗯，真苦，俺觉得吧，但是好。